Thank you. คำวันนี้เป็นช่วงเวลาพิเศษที่แตกต่างจากคำก่อนๆเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่เราทั้งพระทั้งแม่ชีทั้งญาติโยมสิทิยานุสิตของหลวงพ่อคำเขียนอาจจะร่วมกันปฏิบัติธรรมเป็นอาจจะระยบูชาเกตุหลวงพ่อคำเขียนนะโดย อ่าปฏิธานหรือว่าตั้งใจว่าจะทำความเพียรตลอดทั้งคืนนะจนถึงเวลาทำวัดเช้าพรุ่งนี้คือตีสทั้งนี้เพื่อเป็นการถวายความเพียรของเรานั่นเนี่ยให้กับหลวงพ่อในโอกาสที่ท่านจะละ สังขารครบสองปีในวันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เป็นวันครบสองปีแห่งการรักสังขารของหลวงพอ่ออาสิยานุสิตก็จึงอยากจะทำความเพียร น, นะถวายแด่ท่านให้สมกับที่หลวงพ่อไดอ้ทุ่มเทาพาดเพียนพยายามเพื่อที่จะสอนพวกเรา ให้เข้าถึงนะพระธรรมจนกระทั่งสามารถจะพ้นทุกขนะ์หลวงพ่อท่านก็ได้ภาคเพียรสอนสั่งแล้วก็บำเพ็ญตนเป็นแบบอย่างมาเป็นเวลาสี่สิบกว่าปีก็เชื่อว่า พวกเราในที่นี้หลายคนนะก็ได้รับประโยชน์แห่งความเสษสละของหลวงพ่ อ, อเพราะฉะนั้นเนี่ยในโอกาสที่ท่านได้มรณภาพครบสองปีเราก็ควรจะทำอะไรที่พิเศษไปกว่าเดิมนะเพื่อเป็นอาจรัยบูชาการบูชาก็ทำได้สองวิธี ใหญ่ๆนะวิธีหนึ่งก็คือบูชาด้วยสิ่งของเรียกว่ามิสบูชาเช่นอดอกไม้ทูบเทียนหรืออาจจะสร้างถาวรวัตถุสร้างตึกสร้างศาลารวมแม้กระทั่งสร้างอิพิธภัณฑ์เป็นต้นเนี่ยถวายให้กก่ท่านอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีมีคุณค่า แต่ว่าที่สําคัญกว่านั่นก็คือปฏิบัติบูบชาปฏิบัติบูชานี่ไม่ได้ใช้ทุนใช้รอนแต่ว่าใช้น้ําพักน้ําแรงพวกเราซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงพอ่อถ้าพูดในแง่ของทุนรอนแล้วนะก็ไม่ได้มีมากไม่ได้มีเงินทองที่จะสร้างทวารวัตถนะุใหญ่ๆ ราคาเป็นล้านสิบล้านหรือร้อยล้า น, นถวายกับหลวงพ่อแต่ว่าสิ่งที่เราน่าจะทำได้นะก็คือการถวายน้ำพักน้ำแรงหรือความภาพเพียรพยายามให้แก่ท่านนะซึ่งแม้ว่าจะไม่มีวัตถุพยานนะเป็นเครื่องรับรองแห่งความศรัทธา ในตัวหลวงพ่อที่พวกเรามีแต่ว่าสิ่งที่มั่นคงยั่งยืนแล้วก็ประเสริฐกว่าคือธรรมะในใจนะที่จะเจริญงอกงามดลหน้าของความเพียรของพวกเราอันนี้ไม่มีใครเห็นไม่เหมือนอดอกไม้ธูบเทียนหรือว่าอนุสาวรีวิหารหรือว่าพระาธาตุแต่ว่า มันจะเป็นสิ่งที่มั่นคงยั่งยืนกว่าที่ว่ามันคงยั่งยืนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าอพกเราจะเป็นอมตะนะไม่ว่าจะปฏิบัติธรรมได้ผลดีเพียงใดนะในที่สุดพคนเราก็ต้องตายหรือว่าตามหลวงพ่อไปในที่สุดแต่ว่าถ้าเกิดว่าทำมั่งเจริญงอกงามในใจเราด้วยอำนาจแห่งความเพียรพยายามก็เชื่อแน่ว่าธรรมะนั้นเนี่ยก็จะ เผยแผ่ออไปถ่ายทอดไปยังผู้อื่นที่อยู่แวดล้อมใกล้ตัวอย่างที่หลวงพ่อเนี่ยเมื่อท่านได้นเข้าถึงธรรมประโยชน์นั้นก็ไม่ได้อยู่ที่ตัวท่านนะไม่ได้อยู่ที่ว่าท่านไม่มีความทุกข์แล้วแล้วก็จบเท่านั้นแต่ว่าประโยชน์มันก็แพร่กระจายออกไปนะสู่ผู้คนมากมายนะเหมือนกับคลื่นน้ํานะคลื่นเนี่ยนะ มันจะอาจจะเริ่มต้นด้วยจุดจุดหนึ่งนะสมมุติว่าเราโยนก้อนหินลงไปแต่ว่ามันไม่ได้จบตรงนั้นนะมันก็จะมีคลื่นลราลอกคลื่นแผ่กระจายไปนะไกลไกลไกลไกลไปเรื่อยๆเป็นวงกว้างอธรรมะในใจนะที่เกิดจากความเพียรพยายามของพวกเราก็เหมือนกันนะมันสามารถจะแพร่ขยายกระจายไปได้ไม่เหมือนตึกไม่เหมือนอาคารสร้างยังไงก็อยู่อย่างนั้นแหละ มันไม่สามารถที่จ ะ, อะงอกหรือเผยแผ่ไปได้แต่ว่าธรรมะที่ในใจอันที่เกิดในใจนะที่พวกเราได้ทำขึ้นมาด้วยความเพียรพยายามตามแล้วก็ด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของหลวงพ่อเนี่ยมันก็สามารถจะแพร่กระจายไปได้อย่างกว้างขวางก็เรียก ว, าวา่าเป็นการทำให้พระธรรมคำสอนหรือศาสนานี่ได้ แผ่กระจายกว้างห่งออกไปอันนี้ต่างหากที่จะเป็นสิ่งที่ทําให้ศาสนานี่มีความยั่งยืนมั่นคงนศาสนาทุกศาสนานี่มั่นคงยั่งยืนได้ไม่ใช่เพราะว่ามีถาวรวัตถุเยอะแม้จะมีวัดมากมายนแต่ว่าก็ไม่ทําให้ศาสนามั่นคงได้เท่ากับธรรมะที่มันสถิตยอยู่ในใจของผู้คนซึ่งอ ประวัติศาสตร์พุทธศาสนา 2,600 กว่าปีเนี่ยนะมันก็ชี้เห็นว่าวัตถุไม่สำคัญเท่ากับธรรมะในใจนี่การปฏิบัติธรรมข้ามคืนที่จริงเราจะทำเมื่อไหร่ก็ได้นะแล้วก็ก็ควรจะทำในโอกาสอื่นๆด้วยนะแต่ว่าถ้ามันมีโอกาสอย่างนี้เนี่ยควรจะถือเป็นโอกาสดีนะที่เราจะได้มาร่วมกัน ทำความเพียรพร้อมกันบางบางทีคนเราเนี่ยนะจะทําความเพียรได้ดีไม่ต้องมีโอกาสนะต้องมีโอกาสพาอจะได้กระตุ้นให้เกิดความตั้งใจและโอกาสไหนจะดีเท่านะโอกาสที่หลวงพ่อได้รับสังขาร น, นะซึ่งอ่ก็คือวันที่ยี่สิสามสิงหาของสองปีที่แล้วลเมื่อวัน เช่นนี้มาถึงนะก็ควรจะถือเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ทําความเพียรมองในแง่หนึ่งก็คือการทําความเพียรถวายหลวงพ่อแต่มองแง่หนึ่งก็คือการอาศัยหลวงพ่อนั่นแหละนะมากระตุ้นความเพียรในใจเรานะอันหลังเนี่ยสําคัญกว่านะเพราะว่าอหลวงพ่อก็คงไม่ได้ต้องการอะไรจากเรานะเราจะ ถวายอะไรให้กับท่านหรือไม่ถวายนะท่านก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะแม้ว่าถึงแม้ท่านจะยังไม่ละสังขารไปนะลูกศิษย์จะทําอะไรให้กับท่านหรือไม่นะท่านก็ไม่มีความยินดียินร้ายเพราะว่าท่านก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องของโลกธรรมแต่ว่าถ้าเราทําเนี่ยนะถวายท่านเนี่ยไอ้ผลดีมันจะเกิดกับเราเอง และผลดีจะเกิดขึ้นได้เต็มมัดเต็มไม่เต็มหนวยเนี่ยก็ต้องอาศัยการาปลุกนะกระตุ้นความเพียรในตัวเราขึ้นมาเป็นเบื้องต้นแต่ความเพียรของพวกเรานะมันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยบ่อยครั้งก็ไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นได้ง่ายได้ง่ายๆจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยโอกาสหรือต้องอาศัยเหตุปัจจัยอย่างง่ายใ น, นหลวงพ่อนะก็ถือว่าเป็นเหตุปัจจัยหนึ่งหนะ้าที่เราควรจะนํามาใช้นะเพื่อกระตุ้น ความเพียรและกุศลธรรมทั้งหลายในใจเราโนะดยสายศรัท ธ, ธาที่เรามีต่อตัวท่านอันนี้ต่างหากที่หลวงพ่อน่าจะยินดีมากกว่าหากว่าท่านมียานวิถีใดที่จะรับรู้ได้นะใช้ท่านนะเพื่อกระตุน้นส่งเสริมนะกุศลธรรมภายในใจของเราโดยเฉพาะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะหรือว่าตัวรูนะ้ให้เกิดมีขึ้น รวมทั้งกุศลธรรมอื่นๆด้วยนะเช่นคันติความอดทนวิริยะความเพียรหรือว่าถ้าจะให้ดีก็คือบา ร, รมีทั้งสิบประการนั่นแหละซึ่งเริ่มต้นโดยฐานบา ร, รมีรไปจบที่อุเบกขาบา ร, รมีอาการที่คนเราจะสร้างบา ร, รมีขึ้นมาในตนได้เนี่ยนะลำพังความตั้งใจยอย่างเดียวจะไม่พอนะมันต้องมีสิ่งกระตุ้นเรานะ เช่นศรัทธาศรัทธาในครูบาอาจารย์ศรัทธาในพระบรมศาสดามันจะช่วยทำให้เราเนี่ยเกิดกำลังใจเกิดความภาพเพียรพยายามและผลดีเกิดขึ้นกับใครผลดนีก็เกิดขึ้นกับเราเองเนี่นนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราจะใช้หลวงพ่อนะเพื่อการพัฒนาตนทำให้กิเลสเบาบางทาให้เกิดสติและปัญญา จนสามารถที่จะก้าวข้ามความทุกข์ได้ท่านย่อมินดีอย่างแน่นอนเรื่องการปฏิบัติธรรมข้ามคืนหลายคนก็อาจจะรู้สึกหนักใจเพราะว่าไม่เคยทำหลายคนก็จะรู้สึกว่าทำไม่ได้ร่างกายไม่อำนวยจริงๆแล้วเรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ย สิ่งสำคัญเนี่ยมันไม่อยู่ที่กายมยีที่ใจนะมันอยู่ที่ใจกายแม้ไม่ไหวนะแต่ถ้าใจสู้เนี่ยนะมันก็สามารถทำให้กายเนี่ยกระตื้องขึ้นมาคนที่บอกไม่ไหวไม่ไหวเนี่ยนะแต่พอใจสู้แล้วเนี่ยร่างกายมันก็พร้อมนะมันอยู่ที่ว่าเราจะเอาอะไรนำเอาใจนำกายหรือเอากายนำใจถ้าเอากายนำใจนะมันก็ ยอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่ทันจะเริ่มแล้วนะแค่แค่นึกเนี่ยก็ยอมแพ้แล้วนะเพราะว่าเหตุผลคือไม่เคยทําหรือว่าเคยทํามาแล้วถึงสามทุ่มสีทุ่มก็ง่วงจะตายอยู่แล้วนะอันนั้นเพราะเรายอมให้กายนําใจนะพอกายมันเหนื่อยพอกายมันละใจก็เลยถอยนะพอที่จริงเนี่ยสี่ทุ่มก็เป็นเวลานอนของกายอยู่แล้วนะหรือบางคนก็อาจจะเอ นอนเร็วยิ่งกันนั้นไอ้ความง่วงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของกายด้วยนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการดําเนินชีวิตอย่างเดียวเป็นเรื่องของกายนะคนเราเวลาจะง่วงเนี่ยมันก็มีสารบางตัวหลั่งออกมาทําให้ง่วงนะนะักวิทยาศาสตร์พบวามันมีสารนะที่ทําให้ง่วงก็ได้อีกสารบางตัวก็ทําให้ตื่นขึ้นมาและสารที่ทําให้ให้ง่วงเนี่ยนะเขาเรียกว่าอะดีโนซีนเนี่ยมันก็ มันก็จะขึ้นมาหลังออกมานะไอ้ประมาณเนี่ยประมาณเนี่ยมันจะหลังมาเยอะพอหลังมาเยอะเนี่ยก็ง่วงไงไม่เหมือนตอนเช้าตอนเช้าเนี่ยมันจะมีสารตัวหนึงเรียกว่าสารตื่นนะอารักซินอันนี้มันทําให้ตื่นดังนั้นไอ้การตื่นการง่วงคนเราเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของกายก็จริงอยู่นะแต่ว่าถ้าเราปล่อยให้กายมันนําใจนะแล้วก็ ยอมแพ้นะถึงเวลาเราก็นอนแต่ถ้าเราให้ใจนำกายเนี่ยนะถึงแม้กายมันจะง่วงนะแต่พอใจมันสู้นะกายมันก็ยอมตื่นนะจะให้เดินมันก็เดินนะถ้าใจสั่งนะมันอยู่ที่ว่าเราจะเอาอะไรนำนะกายนำใจหรือว่าใจนำกายที่ผ่านมานะช่วงสองาอาทิตย์ที่ผ่านมาเราคงทราบมันมีการแข่งกีฬาโอลิมปิก โอลิมปิกเนี่ยมันเป็นเรื่องทางโลกล้วนๆเลยนะแต่ว่ามันก็ให้แง่ายคิดให้บทเรียนกับเราได้เยอะนักกีฬาหลายคนเนี่ยที่เขาได้เหรียญทองเพราะเขายอมให้เขาไม่ปล่อยให้กายนําใจนะแต่เขาใจเนี่ยใช้ใจเนี่ยนํากายอย่างคนที่เป็นข่าวโด่งดังนะเรียกว่าได้เหรียญทองเยอะที่สุดในโลกเลยเนี่ยหรือในประศาสตร์โอลิมปิกเลย ซึ่งคราวนี้ก็ได้เหรียญเยอะเหมือนกันนะไมเคิลเฟล์กหลายคนคงได้ยินชื่อนะเป็นนักว่ายน้ำเขาได้เหรียญทองมาแล้วทั้งหมดยี่สบสามเหรียญ น, นะในช่วงในโอลิมปิกทั้งสี่ครั้งแข่งโอลิมปิกครั้งแรกเนี่ยเมือม่อเมื่อเมื่อสิบหกปีที่แล้วเนี่ยเขาไม่ได้เลยเลยนะอายุสิบห้าเขาแพ้แต่ว่าใจเขาไม่ยอมแพ้ด้วยแม้ร่างกายจะ สู้คนอื่นไม่ได้มันชัดอยู่แล้วว่าร่างกายเขาสู้ไม่ได้อายุสิบหาเองเนี่ยแต่ใจเขาไม่ยอมแพ้แล้วเขาตั้งหน้าตั้งตาว่าเนี่ยอีกสี่ปีข้างห น, น้าเขาจะเอาชนะให้ได้มันมีคนหนึ่งที่เขาแพ้นะเขาสู้ไม่ได้คือเอียนคร็อกเกอร์เขาจะเป็นชาวอังกฤษและตลอดสี่ปีเนี่ยนะเขาจะเอาภาพของเอียนคร็อกเกอร์เนี่ยติดไว้ในห้องนอนเพื่อเตือนใจ และขนาดเดียวกันก็เอามาเป็นแบบอย่างด้วยว่าเขาทําได้ฉันก็ต้องทําได้เขาเพียนแค่ไหนฉันก็ต้องเพียนไม่น้อยกว่าเขาแล้วก็ทําความเพียนตลอดสี่ปีเนี่ยกลับมานอนทีไรก็เห็นหน้าเอียนคล็อกเกอร์เห็นภาพเอียนคล็อกเกอร์ก็เนี่ยจะต้องเอาให้ได้เอียนคล็อกเกอร์ตัวนั้นใหญ่มากนะเก่งมากและสุดท้ายในสี่ปีต่อมาเนี่ยเขาก็สามารถจะเอาชนะเอียนคล็อกเกอร์ได้ ทั้งทที่ใครเขาบอกเป็นไปไม่ได้นะแกสู้เข้าได้ยังไงแกก็เป็นคนที่มีปัญหาเรื่องจิตใจอยู่แล้วเป็นพวกที่เรียนรู้ช้ามีปัญหาเรื่องการเรียนรู้นะเรียนรู้ได้ช้ามกสมาธิสั้นนะเรียกว่าแพ้เปรียบคนอื่นนะสมาธิสั้นเนี่ยมันจะว่ายน้ําได้ได้ได้นานๆได้ยังไงนะแต่เขาก็ทํำจนได้นะกลายเป็นว่ามีสมาธิกกับการว่ายน้ํามากว่ายได้ทั้งวันแล้วก็วันละหลายชั่วโมง เขว้ยนะทุกวันทุกวันทุกวันนะจนกระทั่งได้ได้เหรียญทองเหรียญแรกนะเพราะเอาชนะเียนคร็อกเกอร์ได้แล้วก็ทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะทาได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะจนกระทั่งทําลายสถิติหลายอย่างผ่านมาโอลิมปิกมาสี่ครั้งแล้วเนี่ยนะได้เหรียญทองอย่างน้อยก็ห้าห้าเหรียญทุกครั้งนะ 4ปีที่เราได้ถึงแปดเหรียญทำลายสถิติโลกที่เคยมีคนทำไปเจ็ดเหรียญแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะก็ปรากฏว่าเขามาแพ้เด็กคนหนึ่งนะเป็นชาวสิงคโปร์ชื่อโจเซฟสคูลิงให้โจเซฟเนี่ยนะเอาเอาไมเคิเฟเนี่ยเป็นเป็นแบบเป็นไอดอลนะจะลือกถึงจะใช้ไอโจเซฟเนี่ยจะใช้ ไมเคิเฟลนี่เป็นเป็นแบบจากเป็นแรงบันดาลใจใครๆก็บอกว่าจะสู้ได้ยังไงไมเครเฟลนี่มันเป็นตำนานแล้วนะไม่มีใครสู้ได้นะยี่สบสามเหรียญทองนะแล้วเขาก็สู้ไม่ได้นะสี่ปีที่แล้วเขาก็แพ้แต่ว่าเขาไม่ยอมเนี่ยร่างกายเขาสู้ไมเครเฟลไม่ได้นะแต่ว่าใจเขาคิดว่าเ้าสู้ได้แล้วก็ทําความเพียร น, นะ ว่ายน้ำซ้อมไปนั่นซ้อมซ้อมซ้อมซ้อมวันละหลายชั่วโมงจนกระทั่งปีนี้นี่เขาเอาชนะไมเครเฟลได้ในในในการว่ายน้ำที่เป็นของตายของไมเครเฟลคือท่าอะไรผีเสือ้อไมเคิลเฟลดนี่เก่งเรื่องผีเสื้อมากท่าผีเสือ้อแต่แพ้โจเซฟส์ค o ลลิงนะก็เรียกว่าหักปากกาเซียนนะอ่าอันนี้ก็ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของ คนที่ไม่ยอมแพ้เพราะเขาเอาใจนํากายนะไอ้กายเนี่ยนะทีแรกทาท่าจะสู้ไม่ไหวแต่พอใจสู้ทุกอย่างเนี่ยกายมันก็ต้องยอมนะยอมตามใจยอมยอมที่จะพัฒนาตามตามจิตใจนะคนเหล่านี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้หวังอะไรที่ประเสริฐสูงส่งเท่าไหร่นะแค่เหรียญทองซึ่งมันก็เป็นเรื่องโลกโลกมากเลยนะักปฏิบัติธรรมอย่างเราเนี่ยนะสิ่งที่ป่าธนาเนี่มันสูงกว่าเยอะนะ เรื่องของนิพพานการพ้นทุกข์พ้นจากวัฏฏสงสารเนี่ยมันสูงกว่าเหรียญทองเยอะแต่ว่าเราก็มีอะไรหลายอย่างที่เราสามารถจะเรียนรู้จากคนเหล่านี้ได้นะก็คือว่าความสําเร็จมันอยู่ที่ใจนะใจไม่ยอมแพ้ขนาดคนที่ทําคนที่เป็นนักกีฬาซึ่งในเรื่องร่างกายเนี่ยยังเห็นความสำเร็จของจิตใจเลยว่าจิตใ จ, จเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญ นักภาษาแลวกับนักปฏิบัติธรรมซึ่งเห็นอยู่แล้วว่าใจเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะใจกรรมธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจประเสริฐสุดสำเร็จได้ด้วยใจนี่เราก็สวดกันปีหนึ่งมารุกี่ครั้งกี่ครั้งนะแต่พอเวลาจะทำความเพียร น, นี่ใจไม่เอาละใจไม่สู้บอกว่าร่างกายไม่ไหวฉันแก่แล้วนะหรือว่าฉันไม่เคยอดนอนนะอันนี้มันก็น่าายหน้านะนักกีฬาซึ่งใ น, นเรื่องกายเนี่ย ก็กลับเห็นความสำคัของใจนะใช้ใจนํากายไอพวกเราเนี่เห็นความสำาัญข้าใจนะแต่ว่าปล่อยให้กายนําใจมันก็สู้เข้าไม่ได้นะถึงแม้ว่าทั้งที่เราคิดว่าโอ้ยสิ่งที่เราทําพุ่งมากปรารถนาที่มันสูงส่งมากไอพวกนักกีฬาเรานี่มันแข่งกันทำไมเป็นบ้าเป็นหลังนะเรื่องเหรียญทองแต่สิ่งหนึ่งที่เขาอาจจะทําได้ดีกว่านักปฏิบัติทำจุลนมากคือการเห็นความสําคัญความเพียร และไม่ยอมให้กายเนี่ยมาเป็นอุปสรรคนะไม่ยอมให้กายนำใจแต่ว่าเอาใจนนาเนี่ยนากายแล้วเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราจะเรียนรู้จากเขาได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงการในช่วงคืนนี้เนี่ยก็ให้เรานะลองทำความเพียรดูอย่าไปยอมแพ้ตั้งแต่แรกอย่าแม่ทันจะลองเลยก็ไม่ไหวแล้วฉนันไม่สู้แล้วนะอันนี้ก็เปรียบเหมือนกับ จะทำศึกสงครามนะยังไม่ทันจะปะทะ ก, กันเลยนะกับศัตรูกองทัพศัตรูแค่เห็นธงอยู่ลิบๆเนี่ยเห็นเขาชูธงมาแต่ไกลเนี่ยก็ยอมแพ้ซะละอันนี้เป็นคําเปรียบเทียบของพุทธเจ้านะว่าเวลาจะสู้กับกิเลสมานเนี่ยหลายคนเนี่ยเพียงแค่ยังไม่ทันจะต่อกอนด้วยเลยนะเพียงแค่เห็นธงของกองทัพกิเลสของทัพมารนี่ก็ยอมแพ้มืออ่อนตีนอ่อน ทิ้งมีทิ้งโลดวิ่งหนีอย่างน้อยน้อยนักรบเนี่ยมันต้องเข้าไปต้องไปสู้กันสักยกหนึ่งนะสู้ไปสักยกหนึ่งก่อนหรือสองยกสามยกสี่ยกก็ได้อย่างน้อยต้องสู้กันก่อนนะไม่ใช่ว่าแค่เห็นธงก็มืออ่อนตีนอ่อนแล้ะอันนี้มันไม่ใช่วิสัยนักปฏิบัติรำนะแล้วก็ไม่น่าจะเป็นวิสัยของอสิทธิ์สถาคตนะหรือว่ า, าสิทธ์ของหลวงพ่อคําเขียนด้วยมันต้อ ง, ต, องต้องลองดูสักตั้งนะ ต้องลองทำความเพียรดูก่อนและที่จริงวิชาที่เราเรียนมาเนี่ยสําคัญนะการเจริญสติเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายเราเนี่ยนะอย่างที่บอกมันจะไหวหรือไม่ไหวอยู่ที่ใจนะถ้าเราปล่อยให้ให้ความอ่อนแอครอบงําปล่อยให้ความท้อแท้ครอบงําใจไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวฉันจะทันได้ยังไง อย่านั้นแล้วต้องมีสติรู้ทันไอความคิดนี้ต้องมีสติรู้ทันความคิดนี้มีสติรู้ทันอุบายของกิเลสนะว่ามันจะมามันจะมาล่อลวงเราให้หลงมาทําให้เรายอมแพ้อย่าให้มันนํามาครอบ ง, งําใจนะวิชาที่หลวงพ่อสอนแล้วก็วิชาที่พรุทธเจ้าได้สอนเอาไว้เนี่ยนะคือการรู้ทันรู้ทันรู้กายรู้ใจนะ รู้ใจนะเวลามันมีความอ่อนแอเกิดขึ้นเวลามีความท้อแท้นะไม่ไหวไม่ไหวเนี่ยนะเราก็อย่าปล่อยให้มันคลองจิตคลองใจก็ถือว่าลองดูสินะและที่จริงเนี่ยนะถ้าเราไม่ไม่ทำความเพียรวันนี้เนี่ยคืนนี้นะแล้วเราจะทำตอนไหนนะเพราะว่าทำในโอกาสนี้เนี่ยมันมีตัวช่วยเยอะนะปากกาล่าคือไม่ได้ทาคนเดียวนะไม่ได้ทำคนเดียวนะ ถ้าทาคนเดียวเนี่ยนะมันก็พายแพ้กิเลสง่ายแต่พอทําหลายคนเนี่ยนะมันก็เหมือนกับว่ามีคนที่ช่วยเป็นกําลังใจมองไปทางซ้ายนะก็มีคนที่ทํามองไปข้างหน้าแล้วนะก็เห็นคนนั้นทํามองไปด้านข้างขวาก็มีเห็นเห็นคนนั้นทําเดินจงกรมเหลือไปข้างหลังก็มีบางคนก็เป็นคนแก่นะหกสิบเจ็ดสิบ นะก็ยังทำํำนะแล้วเราเนี่ยเป็นพระหรือว่าเรายังหนุ่มยังสาวนี่จะยอมได้อย่างไงนะยิ่งเป็นนักปฏิบัติทำบวชมาหลายพรรษานะถ้าเห็นอย่างนี้แล้วไม่เกิดความเพียรไม่เกิดกําลังใจหรือไม่เกิดมานะนี่มันก็กระไายอยู่แล้วนะแต่นอกต้องเกิดกําลังใจโอเ้เขาทำกันนะั่นเะนี่ยเราก็ต้องทําให้ได้อันนี้เป็นตัวช่วยที่หนึ่งนะคือว่ามันมีคนทําเยอะนะเว่าทําให้เกิดกําลังใจหรือทําให้เกิดความ ความตั้งใจมากขึ้นเอย่างน้อยๆ น, นี่เราก็จะไม่ไม่ยอมแพ้ใครนะเขาก็มีมือเราก็มีมือมีเท้านะแถมกําลังวังชาดีเข้าสิบนะจะยอมแพ้เขาได้ยังไงอันนี้ก็เรียกว่าเอาตัวมาหน้าเป็นตัวกระตุนนะ้นประการที่สองคือโอกาสนะโอกาสโอกาสที่หลวงพ่อท่านได้มีได้รักสังขารครบสองปนะีมันก็เป็นโอกาส ที่เหมาะนะที่จะ ก, กระตุ้นความเพียรของเราโดยเพราะถ้าเรามีศรัทธาในหลวงพ่ออยู่แล้วเนี่ยเอาศรัทธาขึ้นมาเป็นตัวกระตุ้นนะทำให้เรามีความเพียรนะักกีฬายอย่างไมเคิลเฟลหรือว่าโจเซฟสกูลิงเนี่ยนะเขาาอาจจะเอาตันหาเป็นตัวเป็นตัวกระตุ้นนะก็คือว่าฉันจะเอาเหรียญทองให้ได้ฉันจะเอาเหรียญทองให้ได้อันนี้เป็นตันหานะซึ่งมันก็ไม่ใช่แรงจูงใจที่ประเสริฐไปกว่า ฉันทะหรือว่าศรัทธาแต่เขายังสามารถใช้อตัณหานี้เนี่ยสามารถจะทําความเพียรที่คนธรรมดาหรือคนส่วนใหญ่ทําไม่ได้นะเราก็ควรที่จะใช้นะอาศัยศรัทธานี่แหละนะกระตุ้นความเพียรของเราบ้างนะคนเราเนี่ยนะถ้ามันไม่มีตัวกระตุ้นนะมันก็ พ่ายแพ้ต่อกิเลสหรือว่าพ่ายแพ้ต่อข้อจํากัดของร่างกายนักกีฬาก็ใช้นะเขาใช้ตัวตันหาเป็นตัวกระตุ้นหรือบางทีก็ใช้ตัวบุคคลที่เขายกย่องเป็นไอดอลอย่างโจเซฟสกูลลิงก็เขาก็นึกถึงเวลาเขาท้อแท้เขาก็นึกถึงไมเครเฟลเพื่อจะได้เกิดแรงบันดาลใจอันนี้เรียกว่าเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความเพียรเอาคนเราเนี่ยนะถ้าไม่มีสิ่งกระตุ้นแล้วเนี่ยมันก็ จะเฉื่อยชาได้ง่ายๆและถ้าเรามีสิ่งกระตุ้นที่ดีนะเรี่ยวแรงมันไม่รู้มาจากไหนนะมันไม่ใช่เฉพาะตันหาไม่ใช่เฉพาะสิ่งที่เป็นไอดอลที่จะกระตุ้นให้เราเกิดความเพียรเคยเล่านะถึงคนคนหนึ่งมาแล้วนะเป็นชาวฝรั่งเศสขับเครื่องบินข้ามเทือกเขาแอนดีสในลาตอเมริกาใต้รอกว่าเครื่องขัดข้องนะตก นะกลางหุบเขากลางเทือกเขาแอนดีสเทือกแอนดีสที่มันสูงมากนะหิมะทั้งนั้นขาวโพล่ขอต้องใช้เวลาเนี่ยสามวันนะลุยหิมะเพื่อที่จะไปขอความช่วยเหลือแต่แม้จะเพียรพยายามยังไงนะมันก็เจอแต่หิมะไม่เจอใครเลยคนที่เจอแต่อากาศหนาวเหน็บนะ นอนก็นอนไม่ได้อาหารก็ไม่ค่อยมีไฟไม่ต้องพูดถึงนะทำความเพียรมาสามวันนะไม่มีวี่แววว่าจะเจอใครที่จะช่วยเหลือก็หมดแรงเกือบจะตายแล้วแล้วกล้จะตายแล้วแต่เขาก็รู้ว่าถ้าเขายอมแพ้เขาต้องตายจริงๆเลยเพราะว่าถ้านอนอยู่ในกองหิมะนี่ตายแน่ก็พยายามที่จะลุกขึ้นสู้ แต่เดินไปได้สักชั่วโมงสองชั่วโมงหมดแรงยอมรับด้วยว่าฉันตายแน่ตอนนั้นก็ลาลูกเมียแล้วในใจนีกก็อำลาลูกเมียแล้วแต่ว่าสักพักหนึ่งก็เฉลียวใจว่าเอ๊ะถ้าตายตรงนี้เนี่ยคนคงหาศพไม่เจอและถ้าหาศพไม่เจอเนี่ยมันจะเดือดร้อนถึงเมียเพราะว่าถ้าไม่เจอศพก็ประกันชีวิตหรือมรดกก็ยัง ให้กับเมียและลูกไม่ได้นะก็ต้องรอเวลาถึง4ปีจนกว่าศาลจะแสงว่าเป็นบุคคลสูญหายนะเมียถึงจะได้รับเ ง, เงินประกันชีวิตก้อนใหญ่ก็เลยห่วงว่าเนี่ยถ้าตัวเองต า, ตายตรงนี้เนี่ยเมียจะเดือดร้อนนะก็เลยบังเอิญเห็นข้างหน้าเนี่ยประมาณร้อยเมตรเนี่ยมันมีหินก้อนใหญ่อยู่ก้อนอย่างสูงก็ไม่สูงมากนะพอที่จะปีนขึ้นไปไปนอนตายตรงนั้นได้นะถ้าไปนอนตายตรงนั้นเนี่ย เครื่องบินที่บินผ่านมาหรือว่าเพื่อมีิี่ทีส่งมาช่วยชีวิตคงจะเห็นศพนะถ้าเจอศพก็เมียก็ได้เนือประกันชีวิตแล้วก็เพียรนะเดินพยายามคลานไปให้ได้ถึงจนถึงหินก้อนนั้นแต่พอถึงแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันมีแรงขึ้นสู้อีกครั้งกลายเป็นว่าเขาสามารถจะเดินต่อไปได้อีกร้อยกิโลนะอีกร้อยกิโลนะ จนถึงหมู่บ้านที่มีผู้คนอาศัยอยู่ก็เลยรอดตายเขาก็เลยมาเล่าเรื่องนี้ให้ให้พวกเราฟังได้ร่างกายมันไม่ไหวแล้วนะแต่ว่าใจเนี่ยนะพอมันนึกถึงเมียห่วงลูกห่วงเมียมันก็เกิดแรงกระตุ้นนะทำให้เลียวแรงรู้มาจากไหนแต่สุดท้ายก็ลอดตายนี่เรียก ว, ว่าจิตหรือใจเนี่ยนำกายนะคนส่วนใหญ่เนี่ยนะปล่อยให้กายนำจิตนะ ร่างกายไม่ไหวแล้วตายดีกว่าทีแรกเขก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่พอไอ้นึกถึงลูกนึกถึงเมียด้วยความรักลูกนะมันทําให้เกิดแรงขึ้นสูนะ้อันนี้ก็เป็นตัวช่วยนะที่มันทําให้คนเราเนี่ยสามารถทําสิ่งที่ทําได้ยากได้เราก็สามารถทําสิ่งที่ทําได้ยากในคืนนีนะ้ด้วยเช่นกันนะถึงแม้ไม่เคยทำนะดยการที่เราเอ่อราลึกถึงหลวงพ่ออาศัยศรัทธาที่มีหลวงพ่อเนะี่ย ทำความเพียรถวายหลวงพ่อเนี่ยนะเพื่อชื่อทําให้เรา เ, เกิดกําลังขึ้นมาอใช้หลวงพ่อเป็นประโยชน์นะเพราะว่าถ้าเราทําความเพียรได้เนี่ยมันจะไม่ใช่แค่เกิดความภาคภูมิใจนะแต่ว่ามันจะทําให้เราเนี่ยมีความมั่นใจในตัวเองว่าสิ่งยากๆเนี่ยเราก็ทําได้ท่านเจ้าคุณธรรมปิฎกเจ้าท่านเจ้าคุณพรหมพุนาพรเนี่ยท่านเคยบอกว่าเนี่ยสิ่งที่เด็กไทยเยาวชนไทย ควรจะมีนั่นคือใฝ่รู้สู้สิ่งยากใฝ่รู้ใฝ่รู้คือว่ศึกษานะที่ตั้งพูดอย่างเด็กไทยเนี่ยใฝ่เสพใฝ่เสพเรียนหนังสือก็ไม่ได้คิดจะอยากจะรู้อะไรคิดแต่ว่าอยากจะไปเที่ยวหรืออย่างอย่างนี้ก็อยากได้รางวัลอยากได้คะแนนไม่มีความใฝ่รู้ทํำอะไรก็ทําแบบลูกๆห่อไปทีความรู้ก็ไม่มีนะ จะให้ให้เรียนอะไรก็ไม่อยากเรียนจะให้อ่านอะไรก็ไม่อยากขาดความใฝ่รู้แล้วก็จิตใจอ่อนแอไม่สู้สิ่งยากเจองานยากให้ทํารายงานทําการบ้านที่ต้องใช้ความเพียรก็ไม่สู้ไม่เอาที่จริงเนี่ยคำว่าใฝ่รู้สู้สิ่งยากเนี่ยมันก็เหมาะนะสำหรับพวกเรานะที่เป็นนักปฏิบัติทำด้วยเหมือนกันแต่ถือว่าใฝ่รู้เนี่ยนะเราไม่ได้ใฝ่รู้ไม่เป็นต้องหมายถึงใฝ่รู้ในเรื่องวิชาทั้งโลก นะเช่นคณิตศาส์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษนะ่สิ่งที่คนฝ่ายรู้คือฝ่ายรู้ในวิชาชีวิตนะโดยเพราะการปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่างที่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนสอนเนะี่ยเนเรื่องการให้กลับมารู้นะกลับมารู้นะฝ่ายรู้ที่มันมีความหมายหลายอย่างนะไม่ใช่แค่ฝ่ายศึกษานะอ่านหนังสือนังหานะแต่รวมถึงว่ามันนะมันศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตไม่ว่าดีหรือร้ายอันนี้เนี่ยมันเหมาะสําหรับนักปฏิบัติธรรมนะหรือว่าคนที่สนใจธรรมะด้วยก็คือว่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับเราเราก็พยายามเรียนรู้จากสิ่งนั้นว่ามันสอนอะไรเรานะเวลาประสบความล้มเหลวนะแทนที่จะตีอ ก, กชกหัวฟูมไฟล์ก็มาดูว่าเฮ้ยมันให้บทเรียนอะไรกับเรานะมันสอนอะไรเรา เวลาถูกคําต้นนี่ต่อว่าด่าทอแทนที่จะโมโหโกรธาก็มาพิจารณาเอ้เราได้แงีคิดอะไรบ้างจากคําพูดของเขามีอะไรบ้างที่เราควรปรับปรุงแก้ไขอ่ะอันนี้ใฝ่รู้นะเวลาเจ็บป่วยนะแทนที่จะกุ้มอกกุ้มใจท้อแท้ก็มาดูว่าเออความเจ็บป่วยมันสอนอะไรเราไม่ใช่เอาแต่เสียใจเอาแต่ตีโวยตีพายหลวงปู่ขาวเนี่ยท่านเคยพูดไว้นะ เตือนใจคนที่เจ็บป่วยนะว่าเวลาเจ็บป่วยเนี่ยนะอย่าไปอยากอย่าไปอยากหายนะจากความเจ็บปวดจากความเจ็บป่วยนะอย่าไปายอยากหายปวดนะให้อยากเห็นความจริงนะจากทุกขเวทนาเพราะว่าถ้าอยากหายเนี่ยจากทุกขเวทนาเนี่ยมันจะยิ่งทําให้มีความทุกข์มากขึ้น พออยากหายแล้วมันไม่หายเนี่ยนะยิ่งยิ่งผิดหวังยิ่งเสียใจยิ่งกุ้มใจมากขึ้นไปใหญ่แต่ถ้าอยากเห็นความจริงจากทุกขเวทนาเนี่ยนะอันนั้นแหะคือตัวมักนะที่จะทําให้พ้นทุกข์ได้พ้นจากวตาสงสารเพราะทาให้เห็นสมุทยัยไอ้ความอยากหายเนี่ยไอ้ความอยากเห็นความจริงจากทุกขเวทนาเนี่ยก็คือความคือการมีจิตใจใยรู้นั่นเองนะใยรู้ฝ่ายรู้ก็รวมถึงว่า สบการปฏิบัติธรรมก็คือว่าอะไรเกิดขึ้นก็รู้รู้รู้นะตรงข้ามกับไยรู้นะสํานักปฏิบัติธรรมก็คือใยหลงใยหลงความคิดอะไรเกิกกกดนะนนกขึนนขด้นก็ห ล, ลงเข้าไปในความคิดนะมันมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นก็หลงเข้าไปในอารมณ์นั้นมันท้อแท้ก็หลงเข้าไปในความท้อแท้แทนที่จะเห็นความท้อแท้แบบความง่วงมันง่วงขึ้นมาก็ปล่อยใจหลงเข้าไปในความง่วงนะไอ้สองตัตวเนี่ยมันจะเป็น สิ่งที่จะมารบกวนเราคืนเนี้ยเราก็ต้องฝ่ายรู้นะคือว่านะรู้ทันมันไม่ปล่อยใจให้เผลอให้หลงเข้าไปนะในความท้อในความในความง่วงอันนี้คือความฝ่ายรู้นะอย่าฝ่าหลงหรืออย่าชอบหลงแล้วถ้าฝ่าฝืนบ่อยเนี่ยนะมันไม่ใช่เพียงแต่จะรู้ว่ามันมีความหลงความโลภความโกรธเกิดขึ้น แต่ต่อไปนะก็จะเห็นสัจธรรมที่มันจะแสดงตัวออกมาให้ประจักษ์แจ่งใจของเราอันนี้ก็ยิ่งทําให้เกิดปัญญามากขึ้นไปอีกนอกจากฝ่ายรู้แล้วเนี่ยนะก็ต้องสู้สิ่งยากด้วยสู้สิ่งยากเนี่ยอย่างวันนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งยากสําหรับหลายคนสาบคนที่เคยมีประสบการณ์มาแล้วมันก็ไม่ใช่สิ่งยากอะไรแต่หลายคนมันเป็นสิ่งยากก็ต้องกล้าสู้นะไม่ใช่ว่า พอไม่เคยทําก็เลยบอกว่าไม่เอาไม่สู้อันนี้เราก็แสดงว่าเรายังไม่ใช่เป็นนักปฏิบัติทำอย่างแท้จริงนักปฏิบัติเนี่ยจะต้องไมจะไม่พอใจยอยู่กับการอยู่ในสิ่งที่คุ้นเคยเนะเกรี่ยไข่แดงคนจํานวนมากเนี่ยจะพอใจยอยู่กับไข่แดงไข่แดงหมายถึงว่าเขตที่มันสบายใจภาษาฝรั่งเรียกว่า comfort zone comfort zone อะไรที่คุ้นเคยอะไรที่สบายใจก็อยู่อตรงนั้นไม่ไปไหนไม่กล้าโผล่ออกไป ไปเจอสิ่งที่ไม่คุ้นเคยแต่ตัวคนฝ่ายรู้นะมันอยากจะดูอยากจะรู้ว่าออถ้าเราโผล่ไปข้างโผล่ไปสิ่งที่ไม่คุ้นเคยจะเป็นอย่างไงไปในที่ที่ไม่คุ้นเคยไปสํา น, นักที่ไม่คุ้นเคยหรือว่าไปลองหาประสบการณ์ที่ไม่คุ้นเคยหรือไปเจอความยากลาบากอยู่นะอะไรที่ไม่เคยทําลองทําดูอันนี้มันต้องอาศัยใจที่ใฝ่รู้คู่กับใจที่กล้าสู้สิ่งยากถ้านะมันช่วยได้เยอะเลยนะไม่่ใชเฉพาะไม่ใช่แต่เฉพาะ ช่วยให้เรียนรู้วิชาทางโลกจนกระทั่งสามารถจะประสบความสำเร็จในชีวิตนะแต่ว่าวิชาชีวิตหรือว่าเรื่องทางธรรมเนี่ยไอความฝ่ายรู้สู้สิ่งยากก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเหมือนกันซึ่งจะช่วยทำให้คนทุกได้ฉะนั้นเราเอาเอ า, เอาสองคำเนี่ยไปใช้ได้นะในคำคือเนี่นะฝ่รู้สู้สิ่งยากอะไรเกิดขึ้นกับใจก็รู้ ร, รู้ตะพึดตะพือ น, นะ มันจะหลงมันจะง่วงไงก็รู้นะมันจะท้องไงก็รู้นะไม่ข้อเป็นนะแล้วก็เหตุการณ์ก็ลดลงความเพียรเพื่อที่จะกล้าสู้สิ่งยากมีความกล้าอันนี้เป็นโอกาสดีนะที่เราจะได้นะสั่งสมนิสัยใฝ่ายรู้สู้สิ่งยากโดยเฉพระปกาหลังเนี่ยโดยใาศโอกาสในวันนี้นะซึ่งมีตัวช่วยเยอะนะไม่ว่าจะเป็นกิริยาณมิตรที่ร่วมปฏิบัติกับเรา อาจจะเป็นสิบอาจจะเป็นร้อยรวมทั้งอ า, อาศัยโอกาสที่สามารถจะกระตุ้นให้เราเกิดศรัทธาใช้ศรัทธาที่มีต่อหลวงพ่อนะมากระตุ้นความเพียรของเรามาส่งเสริมกุศลธรรมภายในเพื่อทําให้เราสามารถจะสู้สิ่งยากที่ลําบากได้ก็คํานี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะแล้วเราก็จะเริ่มการปฏิบัตินะสองทุ่มนะที่ ศาลาไก่นะไปโยนถึงทำรรวัดเช้านะของวันพรุ่งนี้เลยากาับ้าพร้อมกัน